กล่าวว่าต่อจากสมัยของพระปฐุมุตระพุทธเจ้าพระชินะพุทธเจ้าพระนาว่าสุเมทะเป็นผู้นําโลกผู้อันเขาเข้าเฝ้าได้ยากมีพระเดชยิ่งสูงสุดแห่งโลกทั้งปวงพระสุเมผู้นําโลกนะนำโลกออกจากทุกข์นะนำสัตว์โลกให้ประสบแต่ความสุขพระองค์นั้นเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนอะไร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 โปร่งแสวงหาประโยชน์แก่สรรพสัตว์เนี่ยนะคำว่าแสวงหาประโยชน์ก็คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะแสวงหาประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ที่พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงพระองค์เปลื้องคนเป็นอันมากให้พ้นจากเครื่องผูกคือสั่งโยดเนี่ยนะพระองค์ช่วยให้เขาพ้นจากเครื่องผูกทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์โปร่งเปลื้องเขาให้พ้นจากเครื่องผูกคือ สกายทิทิวิจิกิจฉาสังโยดศิลปะตปรามาสังโยชดด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะพระองค์ช่วยแก้ให้เขาพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกด้วยโสดาปฏิมักพระองค์ช่วยเปื้องช่วยแก้ให้เขาหลดพ้นจากกรรมมาพบด้วยอนาคาเมมักพระองค์ช่วยเปื้องช่วยคลายให้เขาหลุดพ้นจากวัตฏะโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมัต ครั้งเมื่อพระองค์บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจักรณกรุงสุดทัศนะในการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยนะมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่ใหญ่จริงๆอยู่สามครั้งด้วยกันอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์ประมาณแสนโกดต่อมาอีกพระชินะพุทธเจ้าทรงทรมานยักษ์ฝึกยักษ์ช่วกุมภะกลุ่มภ ก, ก, กันอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์เก้าหมื่นโกดต่อมาอีก พระผู้มีพระยศมีบริวารหาประมาณไม่ได้ทรงประกาศสัตว์จะสี่อภิสมัยครั้งที่สามได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกดพระสุเมศผู้ทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรันผู้เป็นขีนาศบไร้มนทินมีจิตสงบมีจิตคงที่สามครั้ง สาวกสันิบาตประกาศโอวาทปาติโมกสั พ, พาปาปะสะการนังกุสลสู่ปะสัมประทานนะสามครั้งด้วยกันครั้งแรกว่าครั้งพระชินะพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงสุทัศนะพระภิกษุขีนาศพร้อยโกดประชมกันต่อมาอีกเมื่อภิกษุทั้งหลายกรานกระถินที่ภูเขาเทวกรุภิกษุ90โกดประชมกันอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งต่อมา พระทศพลเสด็จาริศไปภิกษุ80โกธก็ประชมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่3ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราตอนที่นั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นมานพหนุ่มชื่อว่าอุตตระมานพแปลว่าคนหนุ่มเนี่ยนะพระองค์สั่งสมทรัพย์ในเรือนประมาณ80โกดแปลว่าเศรษฐีหนุ่มบอกว่าเราถวายทรัพย์เสียทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือเลยทําบุญหมด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 โงวดเข้ามาใกล้ทุกทีใกล้ทุกทีนะใกล้ยุคสมัยพวกเราตุกทีแล้ะไม่รู้ว่าดีใจหรือเศร้าใจก็ยังเล่นกันนะทั้งหัวเราะและว้วก็ร้องไห้หัวเราะบอกใกล้จะมีพระใกล้จะถึงพระาศาสนาของเราแล้วร้องไห้บอกว่ า, าศาสนาจะหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยนะอะไรนะโอ้กว่าจะจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ใหญ่ๆได้อย่างนี้เนะี่ยนอนกว่าจะจัดได้พอดีมาท้ายๆรายการเนี่ยนะนะ แต่มาเก่งๆมาช่วยเก็บกวาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยหมดเวลาพอดีพระตถ า, าคตออกอภิเนศสกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทอันน้ารื่นรมปรองตั้งความเพียรรมทุกขกิริยาพระตถ า, าคตประทับนั่งนักโคนต้นอาชาปาละนิโครรับข้าวมาทุกปายาดในที่นั้นฉันเสร็จก็เข้าไปยังฝั่งไปยังแม่น้ำเนรัญชาราพระ ชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายยาที่ริมฝังแม่น้ําเนรัญชราเสด็จไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพพฤกจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทําประทักศิณโพธที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรุณโคนโพพฤกชื่อว่าต้นอสัศทะพระท่านผู้นี้หรือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จักมีพระพุทธบิมารดาพระนามว่าพระนางมายา พระชนกพุทธบิดาพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะมีนามตามโคดว่าโคตมะจากมีอักระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถาชื่อว่าอานันทะจกบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้จกมีอักระสาวิกาชื่อว่าเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น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 พระองค์ผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วก็พากันปราบปลื่มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางกูรท่านผู้นี้เป็นเชื้อสายของผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนโลกธาตุทั้งเทวโลกพากันส่งเสียงโห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัสการกล่าวว่า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 ไหว้บ้านเราก็ได้เนาะจะไปถึงถ้งไปไหว้ที่นั่นนะนะพิมพ์สลับเดียวกันนะนะแท่นพิมพ์อันเดียวกันนะรุ่นเดียวกันเนี่ยรคราบเอราบที่นี่ก็ได้เหมือนกันพระโพธิสัตว์อุตรมามนบเนี่ยนะพอได้ฟังพระดำรัสพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสุเมศแล้วจิตของพระองค์ก็เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดขึ้นไป เพื่อบำเพ็ญพระบารมีให้บารมีทั้งสิบให้เต็มบริบูรณ์พระโพธิสัตว์ก็เล่าเรียนพระสวดพระวินัยและนวังฆ่าสาธุศาสตร์ทุกอย่างทำศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามแสดงว่าเป็นคนเก่งมากนะส่งพระไตรปิฎกอีกชาตินี้ชาติพระพุทธเจ้าโกนทัญญะก็สรงพระไตรปิฎกชาติของพระพุทธเจ้าและอีกองค์หนึ่งก็สรงพระไตรปิฎกนี้เป็นการทรงพระไตรปิฎกครั้งที่ส พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในาศาสนาคือคําสอนที่ประกอบไปด้วยอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอยู่นั้นไม่ประมาทในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งก็ถึงฝั่งแห่งอภิน ญ, ญาจุติจากรพบนั้นก็ไปสู่พรหมโลกนะพระโพธิสัตว์ก็สร้างบุญมากนะทานบารมีก็บําเพ็นอย่างเต็มเปี่ยมนะก็ให้สุดที่ที่จะให้ได้อยู่แล้วถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการปฏิบัติตามคําสอน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 พระสุเมศโพธิสัตว์ครองค า, ารวาสวิสัยอยู่ 9,000 ปีมีปราสาทชั้นยอดสหลังคือสุจันทะกันจนะและเสเรวัตทะมีพระสนมนารีนางฟ้อนรำที่ประดับกายงามประมาณ 48,000 นางมีอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุมาาพระโอรสพระนามว่าปุณพะพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นนิมิตสี่เ็จออกอภินีสกรมด้วยายานช้างตั้งความเพียรแเดือนเต็ม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 คือไข่ควรหาสาระจากสังขารทั้งหลายเพื่อเจริญโพธิปัจจะธรรมแล้วก็ภาคเพียรเพิ่มภูนพ่อภูนโพธิปัจจยธรรมให้เจริญจนกว่าจะได้ตรัสรู้นั่นแหละดัง น, นในการภาคเพียรรวบรวมโพธิปัจจยธรรมแต่ละองค์แต่ละองค์งคหรือรวบรวมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ให้ครบ8องค์นั้นใช้เวลามากแต่ก็มากน้อยนั้นที่สําคัญก็อยู่ที่บา ร, รมีด้วยอยู่ที่ อ, อินทรีย์ว่าแก่กล้า ม, มาขนาดไหน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 เตรียมแบบหันหลังกลับเนี่ยนะไม่มีมีแต่ว่าไปหน้าอย่างเดียวท่านก็ก็รอภาคเพียรพยายามในการเจริญในการประพฤติปฏิบัติจนได้เรียกว่ารอได้นะหกปีก็รอได้จนได้ตรัสรู้วิรอมาตั้งเสียสงไขแสนกลับและแค่หกปีเองอนะจะไปนานอะไรทําเป็นมัดกังวลเมื่อเกินหกปีเนี่ยนะเนะชื่อไหมคนป่วยเป็นอมภพอมาพานอนเฝ้าเตียงห้าหกปีก็เห็นรอนอนอยู่กันได้เนี่ยนะรออะไรไม่ได้รอโพธยาณสักหน่อยใช่ไหมรออะไร อา้าวภูกาเองนะมัมันก็มัน ก, นก็เขาก็รอรอกันได้ทั้งนั้นแหละนะอย่างคนที่อยู่ในเรือนจำํำมันก็รอกันได้รอวันออกเขาวางกันบางคนก็รอวันประหารก็ยังรอกันได้แต่นี่รอจะเป็นพระพุทธเจ้าทําไมจะรอไม่ได้รอด้วยความปราบเริ่มใจด้วยความสุขสอบมานสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมและเลื่เรือนเนี่ยนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะแม้แต่ชีวิตปางตายเนี่ยท่านก็ไม่หลงลืมสติสัมปชัญญะ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 เปรียบเหมือนว่าธรรมดารัตนีรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมสว่างไปโยดหนึ่งฉันใดรัตนะคือพระศมีของพระองค์ก็แผ่ไปหนึ่งโยดโดยรอบฉันนั้นในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ9ก้าหมื่นปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ย่อมอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารพระาศาสนาของพระองค์นั้นมากไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้มีวิชาสามอภินญาหก ผู้ถึงตำาหังฤทธิ์ผู้คงที่พระอรหันต์เมเหล่านั้นผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เป็นผู้หลุดพน้นปราศจากอุปธิพระอรหันต์เหล่านั้นสแสดงแสงสว่างคือยานแล้วต่างก็นิพพานกันหมดหมดแล้วเหมนหมดศาสนาพระองค์นั้นแล้วสามหมื่นกับผ่านไปนะนะพระนันพระชนะวระสุเมธพุทธเจ้าดับขันทปริณิพานณนะพระวิหารเมธาราม พระบรมสารีริกธาตุก็เฉลี่ยก ร, กระจายเป็นส่วนๆในสถานที่นั้นๆก็ตามสมควรในมนุมธุรฐวิลาสินีอัตถกถาพุทธวงศุมเมศพุทธเจ้าที่11อกล่าวว่าเมื่อพระประทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานแล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติเป็นเวลาเจ็ดหมืนปีว่างจากพระพุทธเจ้านะว่างมาเจ็ดหมื่นกับนะไม่ใช่เจ็ดหมืปีนะเาขาเขาแปลผิดนะนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติเป็นเวลาเจ็ดหมื่นกับเพราะ ง, งั้นเจ็ดหมืนกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะนะถ้าเจ็ดหมื่นปีนี่ก็ถือว่านานานานนี้เจ็ดหมื่นกับพราะ ง, งั้นคูณปีไปอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีนะเนี่ พอผ่านไปสุดท้ายส 0,000 ื่นกัปนับแต่กัปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสองพระองค์คือพระสุมมธและพระสุชาตะแสดงว่ามันดกับเนี่ยนะมนดกับในสองในสพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์แรกก่อนพระนามตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระนามวสุเมธาผู้บรรลุเมธาปัญญาคือผู้มีปัญญานั่นเองบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย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 ชนนีนะสุทนะัศนราชจุทยานประหนึ่งดวงทินกรอ่ อ, อนๆลอดหลืบเมฆเพราะถ้าใครเคยเห็นดวงอาทิตย์ยอนตอนเช้าแล้วก็เมฆผ่านไปเนี่ยนะก็ดูงามฉนนั้น